ถ้าพูดแต่กรรมยังเป็นกลางๆอยู่ถ้ากรรมดีและกรรมชั่วเมื่อทำกรรมนันใดไว้กรรมนั้นอะไรจะจำแนกจะได้รับผลของกรรมจะได้เป็นทีพึ่งกรรมนั้นอะไรจะเป็นทีพึ่งกรรมมุนนาวัตติโรโกสัตโลกย่อมเป็นไปเพราะกรรม กำมั่งสเตวีพัสติยาดีดังฮีนะปนิตายะกำมย่อมจำแนกสัตว์ให้เหลี้ยวและปานิตามเหตุตามปัจจัยที่ตนได้กระทําไว้ก็เช่นกำดี <c oughs> ในทั้งพุทธศาสนาก็ได้พระบรมศาสดาก็ได้ส่งประกาศสอนไว้แะท่านศรีภาวนาเป็นทา้งแห่งกำดีกูได้มาตั้งใจจะทําบ๊อเพ้นอยู่ ก็เลยคือว่าทํากรรมดีไปโดยตลอดเล่าละกรรมชั่วมากกระทํากรรมดีกรรมที่พอดีมันก็หมดไปเป็นหัวระยุที่การกระทําเหตุมันเกิดวิธีการกระทําต้ารรรองมาแก้ที่การกระทําสืไปแก้ที่ปลายเหตุเมื่อเวลาผลมันเกิดแล้วจึงจะไปหาเรื่องมาแก่มันแก่พอดี ไปเสียเคสเดาะน้ำแก้กรรมย่างนั่นตัดกรรมย่างนี่ด้ยอาการกิริยาด้วยการกระทําภายอกมันแก้ไว้ได้เรียว่าแก้ว่ตถกจุดการที่จะแก้ได้ต้องมาแก้ที่กายว่าจาที่จิตของเรา สิใดเป็นเหตุให้มั่วมองท้องใจแต่พอสั่งสมในสิ่งนั้นพอกระทาในสิ่งนั้นละเสียสิ่งสิ่งนั้นหเหมือเราละพยายามพยายามถอนทำในใจให้ดูจักว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่จะเกิดโทษการกระทําทั้งกายว่าใาใจ สิ่งไหนเป็นไปเพื่อความเยีอกเย็นเป็นสุขความสบายแต่ถ้ำในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคงออะไรซิว่าเป็นถ้ำนี่มันต้องแก้ยที่เหตุต้องการกระทําคืบอบวกเรามากกระทําบอมเพ้นแก้เนี่ยจเรียกว่าแก้ที่เหตุทําเหตุเป็นการกระทําเหตุที่ดี การบเาเพ็ญท่านศีลพาวนาทำไมยุทธไมายาก็าจะพอกพูนขึ้นจ น, นสุดท้ายก็จะทำให้ถึงสิ่ ง, งข้อมคนทุกข์ยากลำบากคนจะค้อมเกิดแจ่เจ็บตายได้เพราะเหตุคือการกระทํำ ที่จะทำให้สังเวศการที่เราสวดในท้ำวัดเส้าเกื่อทำความสังเวชความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่พันรูกปูป่าธานาพันโทเอตนูป่าธานาพันโท กัณฑ์โยปัตานะขันโตจังคารูปปัานะขันโตวิญญาณูปปัานะขันโต <ifiable> <c oughs> อันทั้งหานี่ยเป็นทุกข์เป็นภาระอุปปัานะขันคือรูปวัฏถานขันคือเวทนาวัฏทานะขันสัญญาสังขารวิญญาณมันหนักมันยึดมไม่รูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเป็นตน เป็นบุคคลเป็นเล่าเป็นเขาเป็มันหนักเป็นจังไ้เพี้ยหน้าไฮรูตามความจริงประพันทั้งฮานึ่ไม่เที่ยงรูปรูปฟังอนิจังรูปไม่เที่ยงเททนาอนิจจาเททนาไม่เที่ยงเททนาคือความสุกข์ข้มทุกข์หน่งไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาข้ามจํา ได้ไม้รูปไม่เที่ยงสังขารควปคุงแตงก็ไม่เที่ยงยินยานควบรับรูรับทราบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงแต่สภาพไปมีเป็นเห้เพียหน้าให้เกิดข้อสังเวชให้เข้าใจถึงข้อไม่เทียเทเเท่ยงแล้วก็เพียหน้าต่อไปอีกว่ รูปปางนาตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนานาตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญานาตสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารนาตสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนางนาตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเ่มาให้สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนที่หน้าให้เขาใจถึงวาอจริงที่เป็นถูกอยู่พอเราสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเล่าเขา จะเลยมีความยืดอยู่ในจิตในใจนี่มันยืดมันถืออยู่นี่แหละมันบอกมันบอยอมรับเป็นว่าเ่าใส่ตัวตนมาได้มันก็นยังบอย่านหลับอยู่มันก็นยังควาเป็นตัวเป็นตนอยู่นี่เป็นอย่างพิยาน่าเข่าใจสรุปแล้วแต ว, ว่าพิยาน่าให้เข้าใจถึงอ น, นิจังทุกครั้งอนาตาก็คือความเป็นถูกความไม่เที่ยงความม่ใช่ตัวใส่ตน ในา้าอดซีคันหายัตนาอยู่ใต้คดของไตหลับั้งงมดนี่สวดไปกาหนดไปเพื่อให้เกิดวามสร้งเวทมันเป็นสวดไปเฉยๆสวดไปโดยบรรม่ได้กาหนดบร่้รูปร้อหมายก็บว่าเกิดพิติว่า เ, เกิดข้อสรังเวทใน่ใจลเลยว่ามีประโยชน์นี่เพราะเรองการสวด เมื่อเขากำหนดไปเราเรียกว่าเป็นการภาวนาเป็นสมถะเป็นเหตุที่จะให้ถ้ำคิดให้สงบได้คิดตั้งมันได้เนี่ยกำหนดตามบทคข้อแห่งการสวดอยู่จะคข้อมหมายในการที่สูจนเกิดคข้มสังเวชเกิดทิมในคิดใจเมื่อคิดมันเกิดข้อสังเวชมันเห็นทุกข์รู้จับทุกข์ กลัทุกข์เรานีมันจังคอยสี น, อออ น, น, อสอน้อมอ่อนน้อมลงสูถ้ำเป็นความจริงจังคอยสีบ่อยากมาเกิดแย่เก็บตายจังคอยสีบ่มาทุกข์ไม่ลําบากไม่ทบไม่ชาติแห่งการเกิด น, นี้การปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออย่างนั้นปฏิบัติเพื่อจะไม่เกิด สามรักถ้ำถ้ำสอนของกุฏิแจวสอนเพื่อจะมาให้เกิดสอนเพื่อจะให้พ้นทุกข์ในเมื่อมาเกิดยุ่นก็รับกรรมเสวยกรรมต่างกรรมท้ำกรรมอาศัยกรรมกินกรรมยู่เพราะกรรมไปเพราะกรรมมันจะว่า ก, ก้อนกรรมก้อนตาย <c oughs> ถ้ำกรรมสลับซับซอนกันอยู่คนทุกข์ายก็เดินมารับ กรมสวยกรมเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายทุกข้างกายทุกข้างจิตอยู่อย่างนี้แหละเรืบุพ้นไปก็คือข่าวบอกว่าภาวนาบอมว่าฝึกส ต, ติปัญญาให้เกิดแบอผมีทางที่จะพ้นไปได้สําคัญในโลกในสงสารนี่ว่าเป็นสิ่งอันตรการสวยสดงดงามอยู่ ยิตมังก็ติดอยู่ยึดอยู่ของอยู่มีอุปทานสำคัญมันหมายอยู่เนี่าว่าเกิดความสังเวชสะรดใจเกิดมีพิฐาวามเบือ่อเพเกิดย่านวามรู้เพราะสเหตุที่จะให้เกิดวามรู้เราเนี่ยก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติฝึกหัดสติสมาธิปัญญานารเกิดขึ้นในคิดใจ มันกำหนดลูกเพราะลึกได้ในขนาจิตของตนสถานีถ้ำอันใดสนานีแล้วเจริญอันใดหรือถ้ำสิ่งใดนี่สติกำกับอยู่กับจิตใจมันยังสิเกิดก้ามสงบแต่จิตเกิดก้ามสงบมันจึงจะเกิดยานควบลูกขึ้นมากมันดังสิมองเห็นยังเคยสิรูกได้ถต่ว่าสงบหรอก เหมือนเงินกํานามที่มันวันิ่งวสามารถุจะมองเห็นเงาได้กําหนามมันนิ่งเรามองลงไปจะเห็นเงาในเรื่องของใจก็เหมือนกันถ้ามันฟุ่งซ่านแส่สายสายึดตามสัญญารม้มกับวัวสามารถที่จะรู้พ้มจริงในสภาพวัรนร์ได้เพราถูกกิเลสสุดข้ารากไปเตไปควัดแกวง้งไปตามสิ่งที่มันต้องการ น, นี่จะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่อยบริสสงบบริสงบก็บรเห็นความจริงมันเพราะฉะนั้นต้องฝึกเพื่อให้มีกําลังของสติเพื่อจะได้รู้วามจริงเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อจิตรู้วามจริงนั่นแหะถึงว่ารู้ถ้ำเห็ยนถ้ำเข้าใจในถ้ำเรื่องของถ้ำนันเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ เป็นเรื่องที่จะต้องนึกขานต่อสู่อย่างจริงจังก <c oughs> ับสิ่งที่เป็นขาซื้อของถ้ำขเรื่องกิเลสเนี่นนะนั่นเป็นขาซื้อของถ้ำอาซื้อของถ้ำกับขาซื้อของใจนี่มันต้องฟิตกำลัง จะเล่นมักให้มันกล้าจะเล่นถ้ำให้มันกล้ามักที่จะเป็นข้างดันเนินที่จะเป็นเครื่องตัดสติเป็นเบื้องตน้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นกำลังถ้าสติออนถ้าสติลมเราไล่ไปเถอะ เขาเป็นทาถ้าเป็นมีดตกมีดโรมีคมอาสติออนแบบจะไปฟันยังก็บอกเขาไปฟันใหม่ฟันบอกเขาอาสติเพรามีกำลังเพราะจึงเดยของฟึกสติเอาตั้งจดจ้งองลงใปที่ใจรวมระลึกกลู ใจคือความรู้สติความระลึกรู่นยศจังกันอยู่ทุกขณะทุกเวลา่าพ่อว่ามันบ่ได้ยืนมันบ่ได้เดินบ่ได้นั่งบ่ได้นอนแบบใจมันบ่มีแข้งหนี้ขามันบ่หนี้ตีนหนี้มือพ่อสิบิไปเดินไปนั่งพ่อหีหลังหนี้ยังพอสิไปนอนก็ไผมันรู้ยุ่จังสัตวรู้ยุทตลอดเวลา่า มีจึงว่าไม่มีการมันมีเวราเมื่อมันรูู่ตลอดเวรอาอย่างนั้นที่มันท่าใไทยเฮาเป็นทุกข์ทํามไทยเฮาลุ่มเฮาหลงอง่เอะเพราะเฮาพอได้เอาสิ่งไปกำหนดรู้เพื่อสกัดกัน้นอารมณ์หรือสกัดกัน้นขาึขขุของของัาทุกขีกิเลสที่มันพาลิตค่คามอจิตควอมมึกถขึ้นมา <c oughs> มันก็ค่อยคิดไปแต่ในสิ่งที่จะให้เล่าร่อนหนังสือสิ่งที่จะให้เยือกเย็นสิ่งที่สือเป็นท่อมันบกคิดเอย่องของกิเลสอย่างของม่านมันต้องคิดไปแต่สิ่งที่จะเป็นถาดสุก ข, ของท่อมสิ่งที่จะทําร้ายทําทําลายคิดใจญ่ม้ให้มีความสูงผมให้มีความเยื่กเย็นหมอให้มีความเบาสบายไลยหมให้มีความลู้ตามต้นจริงไลยมันติดกันหมด ข้อสอนที่้ฝึกที้ฟิตอาวุธต่อสู้พื้นสติสมาธิปัญญาเป็นอาวุธสติวุฒปัญญาวุฒสมาธิวุฒนี่แหละเป็นกำลังสิปราปามประหัตประหารมันว่ได้ปราปามประหัตประหารมันใยดอกเหรอดีว่าเ้านี่สติกำกับอยู่กับใจแล้ว เอามันจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมามันจะคิดสินึกอะไรขึ้นมากลู่เท่าท่านมัน่นปัญญาก็แยกแยะพิจรารณาสรูปลงซุกอา น, นิจังทุกคั้งหน้าตาผ้าวะทั้งหลายยื้อใต้กฏของไตรับทั้งหมดบรรดาซึ่งที่เป็นสมุติทั้งหมดย่อมอยู่ใต้กดของไตรับซึ่อก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ก็ไม่ใส่ตัวใส่ตน จะยืดเหนือกดของใต้รากนี่คือถ้ำมันบริสุทธิ์ทเรียกว่าอามตะจิตอมตะถ้ำเพราะน่มันจังสืบยืดเหนือกดอันนี้เพราะว่ามันไม่มีสมมติกันแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมาทิติเป็นอมตะถ้ำเป็นถ้ำที่ไม่แปรปวนไม่เคลื่อนทา่า อันนั้นแจ้งยู่เหนือกฎอั น, นิี้แจงทุกออครั้งอนาต่าเพมี่ข้อมือว่าเป็นคลุกเพรามี่ข้อมือว่าไม่เที่ยงเพรามี่ข้อมือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือความือจะว่าตัวว่าตนกั บ, บมีอ น, นันเป็นข้ามแท่เมื่อจิตเขาถึงข้ามแท่แล้วก็เป็นอมาตะหืออมาตะจิตอมาตะธรรมบรรดาซิ่งที่ยู่ใต้ ปศของตายรลักก็ติอยู่ในสมมุติอยู่เหมืนนั่งคิดนั่งหนึกนั่งสมมุติอย่างนั้นสมมติอย่างนี้ไอ้ความสมมติเ่านี่แหละเสียเทียงแทะแน่นอนบ่ได้เพาถ้าเขาบอกฝึกสติปัญญาเขามันรู้เท่าท่านสิ่งเรานี้แหันก็บ่กไปซําประยุทธ์มันก็บอกไปหยุดไ ป, ปตัวเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเล่าเป็นเขาบ้านั่นของครันี่ของกู นันูกรสิเอาอั น, นี่ปูกระสิเอามันก็มุ่ไปสมหมุดิป่เขามันรูาเป็นเตี้ยงแต่อาสัยท่านระมือมันมรูปเป้ากิงแบบินน้ำล่อมไส้ที่ไปส้มกันอยกเป็นเตี้ยงอาศัยที่ระส้มกันเป็นรูปเป็นล่างหือว่ารูปถ้ำือความคิดความนึก ความจำข้อมปรุงแตง่งมือนี่มันจะเป็นเพี้ยงแต่อาการคือมันมี่ข้อมคิดข้อมนึกข้อมปรุงข้อมแตง่งคือมันนี่เหตุปัจจัยสัมปะยุติกันอยู่โดยรูปด้วยน้ำยืนอยู่ท่านะ่ะเมื่อหมดเหตุปัจจัยที่มันจะสืบต่อกันแบบซิ่งแล้วนี่ก็มดสภาพไปมดสภาวะไปเมื่อจิตเขาถึงความจริงรู้ถึงข้อมกินแะเมื่อมด ข้อมยึดข้อมถือบรรจางอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาคือข้อมว่างเฉยของจิตว่างเฉยต่อข้อมจรไม่รู้ว่าข้มจรหรือกว่า ง, ง, าางเฉยเหมือนกันกับเท่าเพราะข้าใจในเรื่องต่างๆเอานี้ เขามาพูดย่า ง, งาั้นอย่างนี่ถ้าฟังเขเข่าใจก็เลยนึกเสียใจไปในเมื่อเข้าลูกความจริงแล้วว่าโอ้เขาพูด อ, อ, อย่าง น, า น, นั่นย่างนั้นเนี่ยจนความจริงเป็นย่างนั่นก็เลย่มดท่าละไปเมื่อเข้าใจความจริงถึงเหตุถึงผลถึงท่ำพูดที่เขาพูดไปถึงแต่ก่อนเข้าเข่าใจจิตกับเขาพูดไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อลูกความจริงแล้วมันก็เลยว่างเฉย เพาะลูกฟ้องจริงอันนี้คือการเรื่องของคิดมันลูกฟ้องจริงในในกายในคิดเขาพูดสั้นๆเขามากลูในกายในคิดเท่านั้นแหละตายก็คือลูกคิดก็คือฟ้องลูกฟ้องคิดค้องนึกมันลูกกันตามสภาพค้องจริงของมัน่ก็ว่างมันก็เลยไปสําคัญ เห็นมันก็เห็นอยู่ในยินก็ได้ยินอยู่นึกคิดมันก็นึกคิดอยู่แต่ว่ามันถึงว่างเฉยอยู่เรื่องของจิตมันบม่ได้สาคัญแบเป็นนั่นเป็นนี่เพราะมันรู้ข้อมจริงแล้วตานี่มันสำรับเห็นมันก็เห็นหูมันสำรับได้ยินเสียงมันก็ต้องได้ยินนี่มันรู้เรียกว่ามันรู้ค้อมจริ่งหาใจข้อมจริง ใส่อยู่ในขณะที่มีล่มหายใจเขา้าหายใจออกเมืลอ่มหายใจหมดแล้วหมดสภาพที่จะใส่ที่จะสืบต่อกันแบบนั่นกระอดิบุระไปนี่เรื่องสติสมาธิปัญญาจึงเป็นการแก้คววมเข่าใจผิดของกิฟต์คมันจะผลิตขึ้นมาอาศัย ขถ้ำของกอมถ้าอันดําำ่ําพักดันหรือที่ท่านเรียกว่าอุปกิเล่ข้อมเสาหมองท่องจิตที่มันจะแสดงสุดมากนั่นก็เกิดอยู่ในคิดอันเดียวเนี่แหละบริสุทธิ์เกิดยุ่ในคิดอันเดียวเสาหมองเกิอยู่ในคิดอันเดีย ว, ว, ยยวยแต่ในเมื่อเขาว่าพญา่ามแกนะ่มันไม่ได้เรื่องเสาหมองเรื่องบริสุทธิ์นี่มันเป็บ่มี ในถ้านี่กําลังขุนมากมันก็มี่จะที่จะพยายามลบล่างท่อมเต่าหมองออกไปก็คล อ, องใสก็จะปรากฏตัวขุนมากปรากฏตัวขุนมากในที่ซึ่ก็จะคลองใสเต็มที่เจ้าว่าเป็นถ้ำเต็มดวงให้ได้คิตใจม <c oughs> ีอาศัยการกระถําอาศัยมักด้วการกระถ่า าการกำหนดเกิดจากอาหารทอดพุดราในการดาเนินมักแล้วบลมีท่างบี้เวเบี้ยวสนะมันแบ่งท้งแลน้าแลนตามมันย่นีกเอาตามต้งไปตามชาตินี่หมดในชาติใน่พบนะนี่ตายไปเกิดม่อีกมาแลนตามมันอีกบบเพราท่านเพราะนั้นจึงจะได้เวียนว่ายตายเกิดเพราะเ้าแลนตามมัน เกิดตายเกิดตายอยู่นี่จนนับจนประมาณอะไเรเพราะแลมตามมันเมื่อยุดตามมันเสีที่เถอะที่ว่าอะไเป็นคาเป็นข า, นาดของมันสี่เรมดท่ละในการเฉืดการแก้การเจ็บ ก, ก, การตายเพราะพอตามพอตามตันหาต้นทะย่อยะยาอยากยาก็คิดว่ า, จ ะ, าะจะเป็นอย่างนี่จะเป็นยังนี่นี่เมื่อยุดตามมัน รู้เท่ารู้ท่านนั่นคณะใดแบบจะเรียกว่าท่านมันคณะนั้นอ่นชังผางก้องพงก้องแตง <c oughs> ท่านตัณหาต้องทะเยอทะยานก้องทะเยอทยานเนี่ยคิดด้วยสุไปยุหันอยู่นี่ก้องซุกไปยืนนีอยู่นี่ก้องซุกนี่เรื่องตัณหาทั้งนั้นก้องทะเยอทะยานขาดขันเณไป แลนไปตามเลยบอมีความสมบงังเพราะตัณฑ์เนี่ยว่าบอกเคยมีความสมบงังเพราะตัณหาหรือแลนตามตัณหานี่บอเคยมีผู้ใดในโลกนี่ที่ได้รับความสมบงังสักที่บอเคยมีความข้อจะพี่บอกเคยมีความอิม่มจะพี่นี่ยางเดียวแต่ว่าหยุดตามมันเท่านั้นมันถึงสิบพันมั น, มนสิเอาสนะมันได จึงจะเกิดอออกอมีมฟมสุขฟวามออบอิ่มความเยือกเย็นึ้นท้าใน้คิดใหญ่อาศัยมัลติสคอบประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติแพ่พอยางยิ่งกับสตินี่แหละเป็นเครื่องยับยัง่งเมื่อสติยับยัง่งอยู่ทุกขณะเลยเอามันี่คิดอันไหขึ้นมากก็ะป่อยมันเอาเมื่อ เรายึดสิ่งใดเป็นอารมณ์ใจมันรู้อยู่ในอารมณ์ น, นั่นใจหนึ่งรู้อยู่ในอารมณ์นั่นแลลึกได้อยู่ในอารมณ์นั่นอันเดียวนี่เอาแพ่งจดจ้องกันอยู่นี่หรือเท่าสิแข่งส่วนกายของเท่าอนุมานด้วยสัญญาคำนัดท่ายนั่ยปากระเบลเป็นโ้องกระดูกยังเขาเห็นทายนอกก็นํามาเป็นสัญญาแพ่งน้อมเข้าไปท่ายใน แล้แห้งจดจ้องอยู่ตั้แงแต่สีแจ่มแจ้งถึงพ้ทุทายเมื่อไส้ปลาโปเห็นเป็นห้องกระดูกเมื่อมดข้างตัวนี่ก็อาศัยมั้งซึ่การแห่งการกําหนดจดจ้องอยู่ถ้าจะเกิดเพิ่มจริงคุณมาเปี่ยนจากสัญญาว่าเป็นปัญญาว่าเป็นย่างเพิ่มรูปตามเพิ่มจริงมาเป็นปัญญาเพิ่มรอบรูปรอบขอบในเพิมคิดเพิมหนึ่ง นี่ถ้าทําจริงจังอย่างนั่นก็ต้องเห็นผลต้องได้รับผลเพราะครูบาอาจารย์ที่เปิดถ้ำมากปฏิบัติมากพ้นได้รับผลเห็นผลแหละพ้นยังใครได้นํามาแนะนั่หรือพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าในครั้งพุทธการก็ดีหรือในปัจจุบั น, นก็ดีถ้าก็ทํามาอย่างนั่นใอ้ลูกได้เข้าใจพ้นยังใครได้นํามา แยกแยนํามาซี่แนะแนวทางหรือนํามาเปียบเทียบได้อย่างที่ว่าเทาคิดไปว่านั่นจะสบายว่านี่จะสบายพื้นที่พื้นเปียบเทียบเนี้ ย, ย, ยก็มหมาหา้าบ่พอเพิ่นเคยรู้แล้วรู้ในจิตเรื่องของจิตของเพิ่นคืเ อ, อเพิ่นเพิ่นหลัเคยวิ่งตามนันมาแบบแต่ไ่เคยเห็นที่เลยมันจะสบายแค่ที่ พอย่นเขามาถึงว่าโอ้มันอยู่ที่จิตเนี่ยมันอยู่ที่ใจเนี่ยมันบรสบายน้อยที่นี่เมื่อมันบรสบายน้อยที่นี่ไปอยู่ที่ใหมันจึงจะสบายนี่มาลูกเท่าท่านมาแก้ที่นี่แต่มันจึงภาษิมดบาดมดแผลต่งางหากว่าพอแก้วุ้มลูกเขามาได้จุดนั้นนี่จะวิ่งตามไปว่าที่นี่ไม่สบายเรวิ่งไปที่นอดที่นอดผมไม่สบายไปเรื่อย เหมือนกัเมือนกับมาหัวบาดเขาไปยื้อสายมาแรงวันมันก็มีเนี่ยบาดแผลยู่หัวเจะบของมีมันก็จ่อไปเรื่อยจ่อกับรับก้นทุกข์ทรมานไปเรื่อยแลนหาที่สบายมันก็บวมมีพอบาดแผลที่หัวเจ็บของแต่รักษาแผลมันหายแต่ยู่ที่ไหนก็สบายยืนที่เดิ น, น, ท, น, น, น, ท, นที่นั่งที่นอนงก็เป็นภาวนาจนจนเป็นท่อมย่ตลอดการเรื่องของใจ นี่น้อมเขามาลูกตรงนี้เอาเอาจริงจริงจังๆไปเอาในค่านั่งไเอานั่งเอาเอาจริงจริงจังๆหรือว่าจะเดินเอาเดินเดินอยู่บ้าขึ้นสติรับใจยังเถื่อผมมั่นสักเรื่องเขาว่าเดินคือว่าเถื่อเจอกันแข่งสิ้นชวนไหนเป็นอารมณ์กับแข่งกันนี่นะตลอดยี่สสชั่วโมง มันแนวแน่ยึจดจองกันอยู่ครั้งแรกมันก็อาจจะเผลอบ้างจบลูกพุกข้ามไปเอา้าเผอะกลัวมันเผลอกระซับเข้าไปแล้วมัดระวังเข้าไปกุ้มกันเข้าไปตีกันเข้าไปฟาดฟั้นกันเข้าไปตบมาตบลังเข้าไปผลทุทตามนมถุยอ่อนกำลังลงเราก็จะเป็นปลายชนะเพราะีความภายยากเงื่อน ชนะแล้วก็จะได้นั่นแหละพรามันจเห็นความจริงว่นมันได้รูความจริงว่ามันเป็นถ้ำขึ้นมากว่ามันจะได้เข้าถึงถ้ำรูถ้ำต่างเป็นจริงยิ่งใครสิมีความสบายสิยิงจะมีมีความรู้ความสบา ย, คว า, ค, วาบายความเย็นๆด้วยกันที่ยาบททางซียืนเดินนั่งนอนงอยู่ใจังหว่าสุขศโตไปก็ดีอยูก่ก็ดีที่นี่ไปก็สบายอยูก่ก็สบาย คืข้าโตอยู่ก็เป็นสุกไปก็เป็นสุกนี่พอทาการงานเลยเซ็ตสิ้นแล้วแก้ไขรักษาแผลมันหายแลย้วนี่แต่รักษาแผลที่ว่าหายมันก็ทุกอย่างเลยเทรมานเลนี่เอาลงในจุดนี่แต่พอเอาลงในจุดนี้เดี๋ยววิ่งเบิ้ลสิแก้ไขได้ มไม่มีใครจะช่วยได้พระเจ้าก็ช่วยว่ได้เตี้ยงแต่แนะนําแบบแขนผู้บายเท่นผู้บาอาจารย์ก็ซื้อใหญ่ผู้บายที่คนทํา ม, มากเพิ่งแต่นแน่นําผู้บายที่คนทําเข่าเสียวมาเห็ดหรือว่ามาเห็ดมาทํำเป็นนาทีของเข่าสีนํามาแก้ไขหรือว่าจะเล่นเลนเฉยเฉยอยู่นั่งนัน้อนน้อยืนยืนเดินเดินไปอยู่ แล้วมือแล้ววั่นไปให้ที่สุเปอตายนักยุราหมาถึงก็ตายตายเกิดนี้เกิดมาเล่นเรนน้อนเรนเรนหัวหัวไปยุทธเก่าไปยุ่งซ้ำนั่นแหละอืมชาตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยากจะพ้นทุกข์เอาล่งจริงๆจังๆมันมาตายดอกตั้งสติกำหนดใจลงไป แต่มบ่ทงถึงการถึงเวลามันบ่เบิดจะร่มหายใจมันยั่งยู่ดี่แหละถ้ามันจะเบิดมันกด็ดีเบิดเกิดก็มีสติเกอก็ระมัดระวังมีดถ้ำอยู่ภายในอย่าไปขวมันเอามันหมดภาระหมดปัญหากันไปที่ๆเรียกว่าปวดก็บวดให้มันเปลี่ยนให้มั น, ป น, นแปนวที่จะขวบ ก, ก็หลบๆท่ำๆ ก็ข้างๆค่าๆนี่ถ้าผู้คนเห็นโทษเห็นไผยแห้งคาบซึกของใจที่มันผลิตยาผิดขึ้นมากทำไร่เจ้าของมต้องต้องสู่ย่างนั่นเนี่ยแม่งก็เลยเข้าถูกผู้ใดผู้หนึ่งมันมาลั่งแกนเนี่ยมาลั่งแกไปลั่งแกมากเฮ็ดสู่มันเดี๋ยวจ้งให้ด้วย เอามันตายกันน่าให้ยกินทักๆบุกเขามันก็ตายเลยเนี่ยเขาเห็นดำเห็นแดงกันเห็นที่สุดกันที่สุดมันโฆษนาได้ใจเป็นท่ำได้ท่ำมากค้องได้ท่ำมาเป็นที่พื้นทิ้งมันก็มีคล้องซุบคล้องเยน สบายภายคิดในใจ<บ>หาสิ่งเรื่อที่จะมาเปรียบเสมอเหมือนบมมีหาสิ่งเรื่อที่จะมาเปรียบเรียบในความสุกซีใจมันเป็นถ้ำโมมีใจมันพ่อใจมันลูกมันเข้าใจ